เมื่อวานตอนสายไปขึ้นเครื่องลงกรุงเทพไปขึ้นเลือกทหารมาสององค์พระยังอยู่เหลือสามสิบแปดพระบวชใหม่นะนคณะจักรไายญาติโยมคงนานๆได้มาเห็นโอ้ทำไมพระเยอะนะพระนวักกะมาจากกรุงเทพพระนักศึกษาแพทย์ไม่ดลสิรีราช มาบวชเมื่อวันที่ยี่ห้าที่ผ่านมาพระทั้งหมดเก้ารูปพระเก้ารูปพระในวัดของเราอีกสามสั ม, มนเาณหนึ่งเป็นสิบสามบวชในวันนั้นบวชวันที่ยี่สิบห้าสิบสามรูปแล้วก็พระเก่าก็มีอยู่แล้วหรือพระทั้งหมดก็เลยเกือบสี่องค์นะถ้านับ ถ้าไม่นัน่นปคัดเลือกช่วงนี้พระมากอยู่แต่เมื่อวานหลวงพ่อก็ไม่ได้ไปงานของหลวงปู่จันทาถาวโรอําจังหวัดพิจิตรที่เป็นพระเทระผู้ใหญ่องค์หนึ่งเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ขาววัดถ้ำกองเพนอายุ80กว่าท่านมรณภาพ เมื่อเดือนกุมภาที่ผ่านมาหลวงพ่อวันหลวงพ่อไปแล้วไปเมื่อวันที่ยี่สิบสองวันเปิดงานงานลงปู่ท่านเปิดตั้งแต่วันที่ยี่สิบสองหลวงพ่อไปวันที่ยีิบสองไปเทศอยู่ที่นั่นกันหนึ่งวันตอนกลางคืนแล้วก็นั่นได้ก็ถวายเจดุปัจจัยผ้าไตร มอบถวายท่านก็ในวัดของเราก็มีเรื่องผูกมาเกี่ยวข้องมากก็เลยไม่ได้ไปไ ป, ไปวันนั้นก็น่าจะพอแล้วแะกราบคารวะครูบาอาจารย์แต่ทราบว่าเมื่อวานพระสงฆ์มากนะแล้วก็มีลมแรงอีกต่างหากในขณะที่กำลังจะทำพิธีกรด กรดที่กั้นอยู่ข้างบนหักปนปี้อะไรอย่างนั้นเมื่อวานยินพระท่านบอกข่าวมาลมแรงมากลุงพ่อเออทำไมไม่บอกล่าวลงปู่ให้ไปบอกพญาแทนไม่บ้างบ่างทำไมทาไมให้ลมมากระแทกกระท่านจนเสียการเสียงาน ไม่ขอให้หลวงปู่จันทาไปบอกพยาแทนไม่บางหยุดหยุดไว้ก่อนฝนฟ้าฝนให้ลูกหลานทำพิธีซะก่อนใจตกยังค่อยตกจะลมยังค่อยลมอันนี้ออกมากลางวงเลยกำลังจะรับศีลอีกต่างหากนะลมฝนตกอย่างแรงเปียกปอนไปหมดพระคดิศร์ไทาญาติโยมมีแต่พระสงฆ์อยู่ในที่มุงที่บงังญาติโยมเปียกปอนหมด ังฟังดขนาดที่กรดกรดกั้นอยู่ข้างบนยังหักยังหักกดใหญ่จะขนาดไหนแสดงว่าลมแรงพอสมควรลงพ่อวะนะ่านี่แหละดินฟ้าอากาศวัดของเราก็เหมือนกันพระนวกะพระลูกพาลานทุกองค์ในช่วงนี้ถ้าได้ยินเสียงลมลมแรงแล้วจะเสียง ดินฟ้าอากาศผิดปกตินะอย่าไปอยู่กุฏิกลางวันนะโดยมากจะมันบ่ายสองไปถึงบ่ายห้าโมงนนะช่วงนี้นเป็นช่วงที่ลมแรงมากที่แต่สังเกตมากลางคืนก็ไม่เป็นไรหรอกกลางคืนเดี๋ยวจะไม่ไม่มีแต่ในช่วงนี้รู้สึกว่าในช่วงเวลานี้แหละบ่ายสองถึงบ่ายห้าโมงเย็นนะหรือ6โมงนะถ้าได้ยินเสียงดังอู่ อ, อแล้วก็ รีบหลบหลมถ้าเป็นไปได้มาหลบอยู่ที่ศาลาเนี่ยดีที่สุดมาหลบอยู่ที่ศาลาใต้ถุนศาลาปลอดภัยถ้าที่อื่นแล้วก็ต้นไม้กิ่งไม้มันพร้อมที่จะหล่นลงมาได้เพราะเราอยู่ในป่าอันนี้ก็คือภัยธรรมชาติหน้านี้ช่วงนี้หลวงพ่อพยายามเตือน พะลูกพหลานมาอยู่เสมอเราอยู่ในป่าอยู่ในป่าพิษภัยที่อยู่ในป่าช่วงนี้คืออะไรนะก็คือพายุพายุฤดูร้อนในช่วงเดือนมีนาเมษาพฤษภาสามเดือนเรามาอยู่ในทิ่ น, นี้ให้ระวังให้ระวังพิษภัยแต่มันก็มีที่หลบที่เลีกอย่างที่ว่าน มันหลบอยู่ใต้ถุนถ้ามันมากกว่านะั้นไปลบอยู่ใต้ถุนสะพานนะ่งมาเถอะมันจะมาไม้ไหนไม่ต้องกลัวมันลมนะถ้าไปอยู่ใต้ทุนสะพานนะแต่ใต้ถุนสลาเนะี่ยก็เถอะก็ปลอดภัยอยู่ในระดับหนึ่งแต่มันต้นไม้มันก็ยังล้อมรอบถึงจะโค่นมาก็ไม่ถึงเว้นเสียแต่มันจะหมุนขาดขึ้นไปบนอากาศแล้วก็ปัดลงมาเออานั้น เป็นไปได้ทั้งหมดนะมันลมแรงฮะอันนี้เรายังมีที่หลบที่หลีกนะพายุฝนพายุลมแผ่นดินไหวสินามิยังมีที่หลบที่หลีกเราหลบในที่สูงแต่พญามัจจุราชที่จะมาข้ามชีวิตมนุษย์เนี่ยไม่มีที่หลบที่หลีก ทุกอย่างเป็นอนิจจังทั้งหมดใดๆในโลกล้วนอนิจจังแต่ว่านิจจังที่ของเถี่ยงแท้แน่นอนคือความตายความตายในเถี่ยงแท้แน่นอนเกิดมาเท่าไรตายทั้งหมดไม่มีใครที่จะหลีกลี่ยนี้ไปที่อื่นได้ความตายในเป็นนิจจังของเถี่ยงแท้แต่อย่างอื่นเป็นอนิจจังของไม่เที่ยงที่จะลบ ปี่นหนีจากมารณภัยหลบไปที่ไหนก็ไม่พ้นอีกเหมือนกันหรือจะหลบไปอยู่ใต้น้ำมหาสมุทรขึ้นจะอยู่ขึ้นไปอยู่พทิขึ้นไปอยู่พัะจัน์ดาวพระอังคารที่ไหนยานอวากาศที่ไหนก็หนีไม่พ้นเรื่องความตายแต่หลบพายุหลบสัตว์ร้ายหรือหลบอย่างอื่นพอหลบได้ แต่หลบมรณภัยจุดนี้เราหลบไม่ได้เพราะนั้นจะลบไม่ได้ทำยังไงก็ต้องเรียนรู้ต้องศึกษาต้องศึกษาต้องเรียนรู้เรื่องมรณภัยมันจะมาอย่างไงมันจะทำยังไงมันจะมาอย่างไงอย่าได้เสียเปรียบในการเป็นอยู่เมื่อมรณะภัยเข้ามาถึงพระพุทธเจ้าท่านไปค้นคว้าศึกษา เรื่องมรณภัยท่านก็กลัวถ้าจะว่าไปพระพุทธเจ้าเนี่ยกลัวตายนะกลัวตายเหมือนกันแต่พวกเราน่กลัวตายไม่รู้จะทำยังไงแต่พระพุทธเจ้าท่านกลัวมรณภัยเน่ยท่านท่านมีปัญญาก็เหมือนกับคนที่มีความทุกข์แล้วมันทาไมจึงทุกข์ท่านถึงหาวิธีออกจากทุกข์จะทำยังไงจึงจะไม่จน ถ้าคนจนอยู่แล้วไม่รู้ไม่รู้จักปัญญาไม่รู้หาทางออกไนะม่แต่จนกับจนมีแต่ทุกข์กับทุกแต่คนมีปัญญ า, ามีปัญญาเวลาตัวเองจนขึ้นมานะเนี่ยจะออกทางไหนจะไม่จนนะจะทำยังไงจึงจะไม่จนทำยังไงจึงจะรวยก็ต้องใช้ปัญญาแหละนะหาวิธีจะทำยังไงจึงจะจะรวย แต่ทำยังไงจึงจะไม่ทุกข์ยากลำบากครับอันนี้พระพุทธเจ้าก็ลักษณะอย่างนั้นในเมื่อคนทั้งหลายเกิดมาแล้วก็ตายเกิดมาแล้วก็ตายก็ไม่รู้จะทำยังไงเกิดมาแล้วก็ตายปู่ย่าตายายก็ตายอย่างนี้แต่พระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้มีปัญญาเลิศปัญญาที่เฉียบแหลมกว่าบรรดามนุษย์ท้งหลายท่านก็คิดหาวิธีทนะีเอจะทำยังไง พ่อแม่ปู่ย่าตา ย, ย, า, ยตายตายลงมาเราก็จะต้องตายอีกแล้วก็ตายทั้งหนูกทั้งหลานอีกใครเกิดมาก็ตายหมดเราจะทำยังไงจึงจะไม่ตายนี่ท่านก็ไปค้นคว้าศึกษาทีนี่ออกจากเวียงวังสละความสุขสละความสุขของตนเองออกจากเวียงวังไปค้นคว้าศึกษาอยู่ในป่าดงพงไพยถึงหกปี ท่านจึงได้แนวทางว่าจะทำยังไงใช่เกิดมาแล้วต้องตายเกิดมาชาตินี้เป็นวิบากกรรมเป็นวิบากในอดีตชาติมาเกิดมาพบนี้ชาตินี้คือใช้วิบากแต่ออกจากชาตินี้ไปแล้วเนี่ยจะไม่มาเกิดอีกความตายมันจะมาจากไหนถ้าคนไม่เกิดแล้วมันจะตายจะมีตายไหมไม่มีตายเพราะว่ามันไม่เกิดจะตายได้อย่างไรแล้วจะทำยังไงให้ตัวเอง ไม่เกิดนะเชื้อที่ทำให้เกิดนั่นคืออะไรคือกิเลสนะกิเลสราคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะโลภโกรดหลงทำให้ใจเกิดในเมื่อชำระใจจำระกิเลสราคะโทสะโมหะออกจากใจแล้วใจมันหมดเชื้อแล้วใจจะเกิดได้อย่างไรนะเหมือนกับท่านไปดูดูเรามเมล็ดข้าวเม็ดนี้มันเกิดได้อย่างไรนะเพราะมันมีเปลือก เพราะมันมีตาเพราะมันมีสิ่งที่ห่อหุ้ ม, มเมล็ดมันและจากนั้นก็ไปหวานลงที่อากาศที่ชื้นมีน้ำมีดินมเมล็ดข้าวมันนก็งอกเกยเพราะเหตุไรเพราะมันมีเชื้อถ้าเรากระเทาะเปลือกมันออกซะแกะเปลือกมันออกซะแล้วมันจะเกิดได้ไปไม่ได้เพราะเหตุไรเพราะเรากระเทาะเปลือก ออแล้วก็เผอเผอยังเอาไปนึ่งเอาไปนึ่งให้สุกอีกต่างหากเป็นข้าวสุกแล้วมันไปปลูกเกิดไหมไม่เกิดแต่มันศูนไหมมันไม่ศูญแต่สิ่งที่มันศูญคืออะไรเชื้อของมันเชื้อของมันที่จะทําให้เกิดแล้วมันศูนย์แต่ตัวของมันอะไม่ศูญเม็ดข้าวยังเหลืออยู่แต่ว่าเชื้อที่จะทําให้เกิดมันศูนญนะเพราะพระพุทธเจ้าไปค้นคว้าศึกษาในจุดนี้แหละเป็นเวลาทังหปี จึงได้ทำคำสอนออกมาประกาศเผยแพร่ให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาได้นำมาประพฤติปฏิบัติตายแล้วไม่สูญ เ, เกิดเองแต่ว่าจะทำยังไงจึงจะไม่เกิดจะทำให้ไม่เกิดทำยังไงให้บริสุทธิ์ตุดพ้นคืออะไรนี่แหละอันนี้พวกเราต้องศึกษาในรายละเอียดแหละทีนี้ แต่ว่าก่อนที่จะถึงจุดนั้นเรายังไม่ถึงจุดนั้นเราจะทำยังไงเราต้องพิจารณาพระพุทธเจ้าว่าให้ระลึกลำาลึกถึงให้คิดถึงให้ระลึกถึงอยู่เสมอมรณ ะ, ะเมภาวิสติให้ระลึกถึงความตายไว้อยู่เสมออ้าวทำไมคนกลัวตายอยู่แล้วทาไมให้ระลึกถึงความตาย พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าถ้าคนไม่ระลึกถึงความตายเน่ะมันจะล่มลุ่มหลงมัวเมาอยู่ในโลกเนี่ยคิดว่าตัวเองจะไม่ตายมันสิ่งไหนที่มันเป็นความชั่วช้าเสียหายมันจะทําสิ่งนั้นถ้าระลึกถึงว่าตัวเองจะตายอยู่เน่ะมันจะไม่ทําความชัว่วเ อ, อจะพยายามเก็บหอมลอมลิบจะพยายามสร้างคุณงามความดีเหมือนกับเราคิดว่านะเรามาอยู่ในวัดเนี้ อยู่ในบ้านหลังนี้เราต้องคิดไว้อยู่เสมอว่าถ้าหากว่ามีไฟมีไฟไหม้บ้านหลังนี้อีกสักวันหนึ่งไหม้แน่แนบ้านหลังนี้คือความตายตายแน่แน่บ้านหลังนี้ก็ยังไม่มั่นใจว่าไฟจะไหม้หรือไม่ไหม้แต่ร่างกายของเรานี่ตายแน่แนอีกสักวันหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าวันไหนอย่างนี้ย ถ้าเปรียบเทียบกับซาลาหรือว่าบ้านของเราเนี่ยไฟหลังนี้บ้านหลังนี้ไหมแน่แน่แต่ก่อนที่ไฟจะไหมบ้านหลังนี้เราได้คิดเตรียมการไว้หรื อ, อยังถ้าไฟไม่บ้านหลังนี้ถ้าเราไม่ได้คิดเตรียมการไว้ไฟจะต้องไหมทั้งหมดเสียหายทั้งหมดแต่เมื่อไฟไหมมาเนี่ยเราจะเอาอะไรออกก่อนในบ้านหลังนี้อันนี้คือคิดวางแผนมาแล้วทนเ้ คิดวางแผนเมื่อไฟไม่บ้านเราจะเอาอะไรก่อนฮถ้าคนไม่ได้คิดวางแผนนะปุบ ป, ปับมาพอไฟไหม้ไปแบกโอ่งน้ําออกไปข้างนอกะเพราะอะไรมันขาดสติเพราะมันกลัวเอแบกออกไปออกไปแล้วไม่รู้จะทําไงโอ่งน้ํำราคาไม่เท่าไหร่หนักอีกต่างหากทั้งที่จะไปแบกเอาตูเ้เชฟที่มันหนักอพอจะมีเงินอยู่ในนั้นเรอล่าสิ่งของที่มีคุณค่าอยู่ในบ้านหลังนั้น เสือผ้าผ้าไหมที่มีราคาแพงๆสิ่งของที่มีราคาแพงเงินกระเป๋าเงินอยู่ที่ไหนทองอยู่ที่ไหนของที่มีราคาแพงๆเราต้องได้คิดเอาไว้เราจะต้องไปจุดนั้นก่อนเอาจุดนั้นออกมาแล้วก็ผูกไว้กับติดตัวอีกต่างหากไม่ต้องวางที่ไหนอีกต่างหากบางคนเอาของออกมาแล้วก็ไปวางไว้อีกขกี้ขโมยขโมยเอาไปต่ออีกต่างหากเพราะตัวเองเ อ, ออกมาแล้วไม่รู้จะเก็บเพราะขาดสติ สิ่งเหล่านี้มันต้องได้คิดไว้ล่วงหน้าเหมือนกันนี้ชีวิตของเราทั้งชีวิตก็เหมือนกันเราต้องคิดเหมือนกันว่าเราได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเกิดมาแล้วต้องตายแน่ก่อนที่จะตายนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าอย่างไรพระธรรมคาสอนเราได้พิสูจน์ได้อย่างพระพุทธเจ้าว่าให้นั่งภาวนานะทาจิตใจให้สงบ เมื่อจิตใจสงบท่านจะรู้ได้ด้วยตนเองว่าตายแล้วไม่สูญวิญญาณออกจากร่างกายนี้แน่นอนแต่ร่างกายนี้แต่ตายสลายแน่สู่ดินน้ำลงไปเผาแน่แต่นามธรรมคือจิตใจคือตัวผู้ ร, รู้เนี่ยตัวนี้จะไม่ตายจะออกจากร่างแล้วจะไปปฏิสนธิในภพภูมิต่างๆถ้าในชาตินี้เราทำกรรมดี กรรมดีนั่นแหะจะเป็นพลังส่งดวงวิญญาณไปสู่สุขคติไปสู่สวรรค์สั้นพรมจนถึงเข้าสู่นิพพานถ้าเราชําระกิเลสได้นอกจากนั้นลงมาก็มาเกิดเป็นมนุษย์แต่ถ้าเราทํากรรมชั่วในภพนี้ชาตินี้คิดชั่วพูดชั่วทําชั่วออกจากชาตินี้ออกจากชีวิตนี้แล้วอาจจะไปเกิดเป็นคนก็จริงยุ เป็นคนหูหนวกตาบอดบ้าใบเสียจิตเป็นคนพิกลพิการอันนั้นคือบาปบาปอาักุนสนําพาไปนําพาไปเกิดเพ้เผล อ, อยังหลุดจากมนุษย์อีกไปเกิดเป็นสัตว์ติรชาญเนี่ยช้างมาวัวควายหมูหมาเป็ดไก่เพอเผลอต่ากว่านั้นอีกไปเกิดเป็นเปรตไปตกนรกหลุมต่างๆอีกต่า ง, า ง, างหาก นี่แหะพระพุทธเจ้าไปค้นคว้าศึกษาอยู่ในป่าถึงเวลา6ปีท่านค้นคว้าศึกษาเรื่องเนะี่ยเรื่องวิญญาณวิถีวิถีทางเดินของวิญญาณวิถีทางเดินของชีวิต เ, เกิดมาแล้วไปยังไงมันมีอะไรอยู่ในร่างกายมันมีอะไรอยู่ในตัวคนพระพุทธเจ้าไปค้นคว้าศึกษาเป็นเวลาถึง6ปีจนะึงได้มีพระธรรมคําสอนออกมาถึง8 000, 000, ปด0 0ื่นี่พันพระธรรมขัน จากนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราหลวงปูเ่เสาหลวงปู่มั่นหลวงตามหาบัวหลวงปู่ล่าหลวงปู่ต่างๆได้ศึกษาประธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วท่านบอกว่าเป็นของจริงจริงอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เพราะท่านได้แบกกฎตะพายบาทเข้าไปอยู่ในป่าดงพงไพศึกษาอยู่ในที่เงียบสงบอยู่ในถ้ำอยู่ในป่าดงพงไพอยู่ในที่ สงบสงัดมาแล้วกันกลองไตรตรองดูแล้วทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเนะี่เป็นของจริงนะลูกหลานทั้งหลายนะตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดอีกนะถ้าอยากจะรู้ให้นั่งภาวนานะทำจิตใจให้สงบนะถ้าจิตรวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วจะรู้ได้ด้วยตนเองไม่ต้องถามใครกายกับใจนี่ยเป็นคนละอันกันนะชัดเจนนะลูกหลานนะอันนี้คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ท่านปฏิบัติท่านได้ผ่านความสงบจิตใจสงบมาแล้วท่านรู้ได้ด้วยตัวของท่านเองจากนั้นท่านก็มาแนะนำสั่งสอนพวกเราท่านทั้งหลายเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายถึงจะไม่ได้ทำถึงขนาดนั้นเราก็ต้องเชื่อเชื่อในพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราไว้ก่อนท่านโกหกเราท่านได้อะไรท่านเสียอะไร ท่านก็ไม่ได้ได้อะไรเสียอะไรมีแต่ท่านบอกกล่าวให้พวกเราด้วยเจตนานดีด้วยหวังดีตนเองในเมื่อเราอยากจะรู้เราก็นั่งภาวนาเมื่อเรานั่งภาวนาเราจะรู้ได้ด้วยตนเองอย่างที่ท่านพูดไม่เป็นอย่างอื่นเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะกนัทธายาตโยมทุกคนอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเบื้องแรกว่าหลบอะไรก็หลบได้หลบช้างหลบเสือหลบคู่หลบคน หลบดินฟ้าอากาศหลบมรสุมหลบสีนามิหลบแผ่นดินไหวหลบที่ไหนก็หลบได้หลบพายุลมที่ปลอดภัยหลบได้แต่ลบมรณะภัยคือความตายไม่รู้จะหลบไปที่ไหนต้องเรียนรู้ต้องศึกษาจากนั้นก็ต้องลำลึกถึงแล้วก็ต้องหาวิธีการจะเอาตัวรอดอย่างไร ถึงพบนี้ชาตินี้เอาเถอะพราะเรามีวิบากกรรมอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสแต่ต่อไปภายภาคหน้านั้นถ้าเรารู้แจ้งเห็นจริงชำระกิเลสภายในใจของเราแล้วเราจะไม่มาเกิดอีกและความตายจะมาได้อย่างไรเพราะเราไม่เกิดถ้าเรายังเกิดอีกอยู่นะความตายจะต้องตามมาตามพวกเราแน่นอนไม่มีที่สิ้นสุดนะตอนนี้ไปรับพรอ น, อนุมโมทนาให้พ้